โดนของแหลมหรือว่าโดนแดดร้อนอันนี้ทำให้ทุกกายสาเหตุมีมากมายส่วนทุกใจเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันก็มีสาเหตุประการเดียวทท่า น, นั้นแหละก็คือเป็นเพราะความคิด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 ไม่โกรธลองดูดีๆนะถ้าพูดถึงทุกข์ใจแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะไม่เรียกว่าไม่เรียกว่ารเ็น์ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากความคิดไม่ว่าความทุกข์นั้นมันจะแสดงอาการออกมาในรูปของความโกรธความเกลียดความเศร้าความเสียใจความรับแค้นใจน้อยเนื้อต่ำใจรวมทั้งความ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 ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจอีก3มวันมารับผลมาดูผลหรือว่าเอกซเรย์ซีทีสแกนะเพื่อหามะเร็งหมอนัดนะให้มารับผลมาฟังผลในอีกสองาวันข้างหน้านะพอคิดไปว่าเนี่ยผลมันอาจจะอด อ, อาจจะออกมานะ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 ก็อดคิดอ่าเปรียบเทียบคนอื่นไม่ได้ว่าเขาข ย, ยันกว่าเราหรือว่าเขาครูบาอาจารย์เอาใจใส่เขามากกว่าเราก็เกิดความอิจฉาแล้วก็เกิดความเนื้อเนื้อต่าใจหรือบางทีเกิดความโลภเกิดความไม่พอใจในสิ่งที่มีเคยไปบรรยาย บรรยายเสร็จ ก, ก็เอาหนังสือธรรมะมาแจกทีแรกก็เอาหนังสือเล่มเล็กๆมาแจกก่อนก็คิดว่าจะพอปรากฏไม่พอหนังสือหมดอ่ะเพิ่อนมีหนังสือเล่มเล่มใหญ่กว่าเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กติดมาด้วยปึ้งหนึ่งก็เอามาแจกพรากาคนที่ได้เล่มเล็กทีแรกดีใจนะแต่พอเห็นเพื่อนได้เล่มใหญ่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 ไม่พอใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาอดรนทนไม่ได้มาขอเปลี่ยนนะอันนี้ก็เป็นนะความทุกข์ที่เกิดจากการเปรียบเทียบแล้วก็ทาให้ไม่พอใจในสิ่งที่มีมันเป็นเรื่องของการมองเป็นเรื่องการคิดนะซึ่งทำให้ผู้คนมีความทุกข์มาก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 ลองพิจนารณาดูใหดีเถอะนะความทุกข์ของคนเราเนี่ยนะในเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นทุกข์เพราะความคิดแต่ว่าดูเข้าไปทีเนี่ยมันมีความยึดเข้าไปด้วยจ้าคิดแล้วรู้ทันรู้ละว่างนี่มันไม่เกิดอะไรขึ้นใจก็เป็นปกติได้แต่ปัญหาคือว่าทีแรกคิดเพราะเผลอแล้วเท่านนั้นยังไม่พอก็ยังเผลอไปยึดมันอีกนะหลวงพ่อชาท่าน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 เพราะฉะนั้นก็เลยเกิดความมุ่งมั่นที่จะบวชแม่ไม่ยอมให้บวชก็ถึงกับอดอาหารจนร่างกายผายผอมสุดท้ายแม่ก็ยอมนะลูกคนเดียวลูกชายคนเดียวก็ยอมให้บวชนะพนันธิญานีทนก็ตั้งใจบวชนะแล้วก็วันหนึ่ง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 ขอพูดอะไรไปก็วางตรงนั้นแหละนะไม่เก็บเอามาคิดนะเขาว่าเราในเมืองก็วางไว้ตรงนั้นอย่ากเก็บเอาไปเชตวันด้วยแล้วพวกเราเนะวางนะวางแล้วอยังนะวางไว้ที่หน้าวัดหรือยังหรือว่ายังเก็บมาจนถึงวันนี้นะให้อารมณ์ หรือเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจความเสื่อมความเสียคําพูดที่เจ็บปวดทิ่มแทงใจระวังเอาไว้นที่บ้านหรือตรงที่เกิดเหตุหรือเปล่าหรือว่าเอามาถึงตรงนี้ด้วยนยอันนี้ส่วนขยายนะแต่ส่วนที่ท่านท่านนันทยาพูดเนี่ยก็ก็พูดตรงนี้แหละนะว่าเขาวางไว้ เาว่าตรงไหนก็วางตรงนั้นไม่เอาเก็บไปด้วยไม่เอามาแบกเอาไว้นี่อันนี้เป็นคำคาสอนที่ที่ง่ายมากนะที่เข้าใจง่ายนะก็คือว่าคนเราทุกเนี่ยเพราะแบกนะไม่ว่าอารมณ์อิทารมหรืออนิถารมไม่ว่าอดีตปัจจุบันหรืออนาคต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 ที่วัดหนองประพง์เลยแล้วก็มาบ่นมาราบายนะเรื่องที่ถูกกันแกล้งนะถูกเจ้านายนะาขัดขวางถูกเพื่อนกล่าวหาเลื่อยขาเก้าอี้นะอันนี้เป็นทุกข์ของคนดีโดยเฉพาะในระบบราชการ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 นัครับแบกไหวไหมแบกไม่ไหวครับถ้าไม่ไหวก็อย่าอย่าแบกมันสนิอันนี้เนี่ยท่านนะเตือนสตินายตำรวจคนนั้นนะว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยที่คุณทุกเนี่ยเพราะคุณไปแบกเอาไว้คุณบอกว่าไม่ไหวไม่ไหวแล้วคุณก็ยังไปแบกมันอีกนายตำรวคนนั้นก็ได้สติเลยนะโอ้ยี่เราทุกเพราะเราแบกแท้ ใครก็จะทำอะไรกับเราใครก็จะพูดแต่ถ้าเราไม่ไปยึดไม่ไปแบกเอาการกระทําคำพูดของเขาเมาไว้ในใจเราก็ไม่ทุกข์นั่นก็ช่วยทำให้นั้ น, น, นตัวเราคนนั้นนี่ปล่อยวางไปได้เยอะทีเดียวไอ้ที่ผ่านมาไม่รู้ตัวว่าแบกเอาไว้ทั้งที่ทุกก็ยังเผลอแบกเพรได้สตินี่มันปล่อยเลยนะ ในตัวละคนนั้นตอนหลังก็มาสนใจเรื่องธรรมะแล้วก็มาสนใจเรื่องสมาธิภาวนาแล้วก็ตอนหลังก็กลายเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานคนหนึ่งนะถ้าเอ่ยชื่อก็คงจะเป็นหลายคนคงจะรู้จักก็เป็นคนที่ได้รับเรียกปู่ชนยบุคคลคนหนึ่งนะของวงการตำรวจแล้วคนเราทุกประความคิด แล้วไปยึดติดความคิดนั้นรวมทัไปยึดสิ่งต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ถ้าหกว่ามีสติรู้ตัวเมื่อไหร่นะมันช่วยวางได้มันมีหลายวิธีนะที่จะช่วยทำให้เราคลายจากความทุกข์ใจได้เช่นน้อมใจมาอยู่กับปัจจุบันในเมื่อมันทุกข์เพราะอาดีตเพาะไปคิดถึงอดีตอนาคตก็เอาใจมีอยู่กับปัจจุบันสิ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 มันไม่มีการปรุงแต่งอีกต่อไปเรื่องที่จะคิดและคิดน้อยคิดลบคิดเปรียบเทียบเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสนะการเจริญสติหรือว่าการทำสมาธินะมันก็ช่วยทำให้หยุดคิดหรือวางความคิดไว้ได้นะวางความคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตหรือการปรุงแต่ง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 ก็หายไปเพราะว่ามันไม่มีความหลงมาปรุงให้เกิดความกลัวหลวพ่อคำเขียนนั่งเคยเล่านะเมื่อสมัยท่ทานบวชใหม่ๆท่านก็ไปไปอยู่กุฏิที่ไกลๆจะเรียกกุฏิก็ไม่เชิงนะมันเป็นเพิงมากกว่าก็คือไม่มีฝา ม, มีประตูไม่มีหน้าต่างมีแต่หลังคาแล้วก็วันหนึ่ง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 ปกตีคนที่ตายแบบนี้เขาไม่เาไม่เผาก็าฝังคนที่ตายนี่เป็นโจร น, นะก็ตายมาหลายวันละศพก็เนา่าเขาก็ใส่โลงมาแล้วก็มาฝังก่อนที่จะยอนลงหลุมท่านก็ไปดูศพก็ก็เห็นศพแล้วก็ได้กลิ่นที่เหม็นฝังศพท่านก็ขอขอโลงเขา เพราะว่าไม้นี่มันเป็นไม้ดีไม้กระดานท่านขอไม้กระดานเขาฝาโลงนี่แหละมาเพื่อจะทําเป็นไม้กระดานนอนไอ้ไม้นั้นมันก็มีกลิ่นนะนํามีเลือดมีหนองติดนะท่านก็เอาไปแช่น้ําเป็นเดือนนะแช่น้าเป็นเดือนเสร็จก็ามาตากแล้วก็มาขัด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 มันทําให้ความมันไม่ทำให้เมื่อความลงหายไปการไปเผยยึดทั้งบวกและลบทั้งอิทธาลมอา น, นิธาลมก็ก็หมดไปก็คือวางนะทุกมีเพราะยึดทุกยึดเพราะยาทุกมากเ พ, พราะพลอยทุกน้อยเพราะเพราะยุดทุกหลุดเ พ, พราะปล่อยนะทุกหลุดเ พ, พราะปล่อยนะแต่ที่ไม่หลุดก็เพราะว่าไปเผอ ยึดมานเอาไวนะ้เมื่อเผลอเนี่ยอะไรที่เป็นปฏิบัติความเผลออะไรที่เป็นปฏิบัติความหลงก็คือความรู้สึกตัวความมีสติรู้เท่าทันนะในเวลาพูดถึงเรื่องการปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยหลายคนก็าบอกว่าพูดง่ายแต่มันทายากนะแต่ว่าวิธีหรืออุปกรณ์ที่จะช่วยให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นก็คือสติและความรู้สึกตัว มันยังมีมันยังมีอย่างอื่นอีกนะแต่ว่ามันจะเป็นเฉพาะกรณีเช่นท้โกรดเนี่ยเราจะปล่อยวางความโกรธได้ก็หรือว่าเราจะบรรเทาวความโกรธได้ก็ใช้เมตตาเราแผ่เมตตาเราจะเลยเมตตาก็ทําให้เราวางความโกรธลงไปได้หรือว่าเราบําเพ็ญอภัยทานเมื่อเราให้อภัยนะความความ